สองสามวันที่ผ่านมาเป็นวันสงกรานต์เป็นวันสำคัญจะว่าเป็นวันสำคัญของชาติก็ได้เพราะชาติไทยถือกันมาตั้งแต่โบราณโบราณนักการเป็นวันปีใหม่ของไทยวันที่สิบสามเมษาเป็นวันปีใหม่ของไทยเราถือกันมาตั้งแต่โบราณกการแต่ โบราณการท่านถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีพอมาถือยุ ค, ยคนี้สมัยนี้ก็เลยไปยุกขึ้นไปใหญ่สัมมาเลเทเมากินเหล้าเมายาจนถึงมีการล้มการตายกันเกิดขึ้นจนถึงกับรัฐบาลให้ออกมาควบคุมการกระทํอาออกนอกหลกูนอกทางากินเหล้าเมายาแล้วก็ไม่ได้คิดถึงคนอื่นขับรถ ตกถนนบ้างชนคู่ชนคนบ้างสรุปแล้วก็คือเกิดความประมาทตามไม่จริงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคนโบราณเขาเจตนาเขาไม่ให้คิดให้จะให้ทําอย่างนั้นเขาคิดว่าวันเมษามันร้อนอากาศร้อนควรจะไปมุดน้ําดําหัวไปอวยพรผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ปูย่ย่าตายายที่พวกเรารักเคารพนับถือ เราก็เข้าไปกับคารวะท่านนานทีสมมติว่าพวกเราไปทํามาค้าขายจิตต่างประเทศก็ตามภายในประเทศก็ตามญาติพี่น้องแต่ออกไปทำมาหาเลี้ยงชีพคนละทิศทางแต่พอถึงวันสงกรานก็กลับมาถึงมาหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่พวกเรารักครบนับถือจากนั้นก็ได้ มดน้ําดําหัวอวยอวยพร ใ, ให้ท่านได้รับความร่มเย็นผาสุขสรุปแล้วก็คือถ้าหาว่าไม่มีวันนี้ไม่มีวันสงกรานพวกเราก็จะห่างเหินกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าหาว่ามีวันสงกรานพวกเราก็จะได้พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมลูกพร้อมหลานเข้ามาเคารพสักการะพ่อแม่ของตนเองปู่ย่าตายายของตนเองอันนี้คือคนโบราณแต่พร้อมกัน ในทางพุทธศาสนาก็สอนให้รู้จักพระคุณของบิดามดารดามีบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณต่อบุตรธิดาเราจะมองข้ามไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดเรามาในเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ท่านก็ได้เลี้ยงดูจากนั้นก็ท่านก็สอนให้รู้จักพระคุณของพ่อของแม่พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับเรา เราจะทดแทนพระคุณอย่างไรแต่พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้ถ้าจะว่าไปแล้วกัเด็กหัวดือ้อหัวล้นอาจจะไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการเสี่ยมสอนเท่าที่ควร mm. ก็บอกพ่อแม่เป็นหน้าที่จะต้องดูแลเราตามไม่จริงพ่อแม่เลี้ยงมาเลี้ยงมาด้วยความทะนุถนอมเพื่ออยากจะให้ลูกตัวเองเป็นคนดีไม่มีใครหรอกที่จะ ให้ลูกตัวเองจิบหายวายปวงไม่มีแต่พอออกอได้ลูกออกมาแล้วก็นนั่นะไม่มีใครที่จะคิดว่าคุณค่ า, เ, าเงินคำทรัพสมบัติที่เราเลี้ยงลูกมาเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ไม่มีใครคิดเพราะความรักนั้นยิ่งกว่าเงินคำทรัพสมบัติตั้งแต่เด็กพวกเราพวที่เป็นพ่อแม่พยายามเสียมสอนตั้งแต่อพอเด็ก จะรู้เรียงสาภาวะก่อสอนให้เด็กรู้จักเรียกร้องรู้จักหนาวรู้จักร้อนรู้จักาการอยู่การกินการหลับการนอนทุกสิ่งทุกอย่างคือพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ดูแลเสียมสอนก่อนเพื่อนเพราะนั้นท่านจึงว่าพ่อแม่เป็นบุพกาจาร์ของลูกของบุตรทิดาเป็นบุพกาจาร์เป็นว่าเป็นครูบาอาจารย์สอนก่อนอื่นใครทั้งหมด ต่อมาหมดวิชาความรู้จากพ่อจากแม่ก็ส่งเข้าเรียนหนังสือได้ปถมมัธยมตามลำดับจนถึงปริญญาตรีโทเอกจนสุดความสามารถของบุตริดาแต่หากว่าบุตริดามีความสามารถขนาดไหนหรือว่าพ่อแม่มีความสามารถอีกส่วนหนึ่งคือทรัพสมบัติที่จะส่งลูกแต่ถึงยังไงก็ตามลูกก็เป็นผู้ใหญ่แล้วรู้เดียงสาภาวะแล้วแต่เาว่าต้องดูสิวา แม่พ่อแม่ของเราอยู่ในสถานะไหนทางว่าพ่อแม่ของเราอยู่ในสถานะร่ำรวยการศึกษาเป็นไปได้เราก็พยายามเรียนให้ถึงที่สุดแต่พ่อแม่ของเราอยู่ในสถานะที่ยากจนพวกเราเป็นลูกเราจะไปบีบเค้นออกจากพ่อแม่จนเกินไปก็ไม่ได้เราต้องพึ่งตนเอ ง, ต, องต้องพยายามพึ่งตนเองเพราะพ่อแม่เลี้ยงมาใหญ่แล้ว พอที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วพอที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้แล้วอันนี้ก็ต้องลูกก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นเขาส่งเรียนหนังสือก็ตัวเองก็จะเรียนไปอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเพราะต้องดูในสถานะของครอบครัวของเราสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดทั้งหมดตลอดถึงการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างชวนพ่อแม่นั้นเต็มใจ เต็มหัวใจอยากจะให้ลูกของตัวเองเป็นคนดีอยากจะให้ลูกตัวเองได้ศึกษาที่ดีที่สุดอยากจะให้ลูกตัวเองทำงานดีที่สุดสรุปแล้วก็คือทุกอย่างให้ที่สุดทั้งหมดแต่ไม่อยากจะให้ลูกต e ัวเองชั่วที่สุดอันนั้นไม่ไม่อยากจะให้เป็นมีแต่อยากจะให้ดีที่สุดเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกนะต้องพยายามตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอ Uh, เราเป็นลูกประเภทไหนในหลักของพุทธศาสนาเรียกว่าอวะชาติตบุตรอนุชาติบุตรอาพิชาติตบุตรนะอวะชาติตบุตรคือบุตรต่ํากว่าพ่อแม่อนุชาติตบุตรบุตรเสมอพ่อแม่อภิชาติตบุตรบุตรที่เหนือกว่าพ่อแม่สูงสงกว่าพ่อแม่เกียรติยศชื่อเสียงทรัพสมบัติที่ได้มาเหนือกว่าพ่อแม่ร่ํารวยกว่าพ่อแม่ น่อันนี้แปลว่าอภิชาตตบุตรคุณธรรมเหนือกว่าพ่อแม่เหนือกว่าพ่อแม่ทุกอย่างเรีวยกว่าอภิชาตตบุตรนะอนุอนุชาตตบุตรเสมอพ่อแม่อภวาชาตตบุตรนั้นต่ํากว่าพ่อแม่เพราะนั้นพวกเราให้มองดูเราเองนะมองดูเราเราเองว่าเราอยู่ในสถานะไหนเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยู่ใน ส, สถานะต่ํากว่าเราก็พยายามทําตัวให้ดีขึ้น อย่างน้อยก็ให้เหมือนพ่อแม่พาดำเนินชีวิตมาอย่างไรพวกเราก็ควรจะดำเนินอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ก็มีแต่นับวันจะเท่าแก่ชราลงไปเรื่อยๆถึงท่านจะไม่พูดว่าเลี้ยงลูกมาเพื่อให้ลูกเลี้ยงตอบท่านคงจะไม่พูดถึงขนาดนั้นแต่ส่วนใจลึกๆของท่านแล้วท่านก็มีความหวังกับบุตรธิดาทุกคน ที่ได้เลี้ยงมาแล้วถึงจะไม่พูดเป็นคำออกไปแต่ส่วนใจลึกนั้นท่านก็พึ่งลูกเหมือนกับครูบาอาจารย์เราไม่พึ่งลูกศิษย์ท่านก็พูดได้แต่ว่าส่วนลึกแล้วท่านก็พึ่งพาอาศัยลูกศิษย์ลูกหาเช่นเดียวกันพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าว่าลูกให้พึ่งได้ท่านก็จะพึ่งพาอาศัยท่านก็จะใช้ลูกคนนั้นแต่ถ้าว่าลูก พึ่งไม่ได้ท่านก็ทํำยังไงได้ก็ต้องเคลียร์ทิ้งจะพึ่งได้ยังไงเพราะมันชั่วมันไม่ดีนะเหมือนกับนิ้วมือของเรานิ้วเท้าของเราทั้งทงหลายแหละเนี่ยอวัยวะของเราทุกส่วนในร่างกายเนี่ยไม่ว่าตาไม่ว่าหูไม่ว่าจมูกไม่ว่าอาวัยวะทุกส่วนของร่างกายแต่ตาเป็นมะเร็งซะอย่างนี้เราจะเอาไว้ไหมเอาไว้ไม่ได้ต้องควักออกนะถึงจะรักเสนรักก็ต้องควักออกแขนของเราเป็นมะเร็ง แต่เรารักไหมแขนของเราเรารักแต่เราจะเอาไว้ไหมไม่ได้ถ้าเอาไว้มันก็ต้องลามลุกลามมาหาสวนร่างกายต้องตัดออกนะถึงจะรักขนาดไหนก็ตามถ้าหากว่าไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ต้องตัดทิ้งลูกก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าพ่อแม่มีคุณธรรมแลนะต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องตัดใจตัวเองเหมือนกับเป็นมะเร็งในขาไนะจะไปไม่ตัดขาทิ้งได้ยังไงถ้าตัวเองอยากจะมีชีวิตอยู่ เว้นเสียแต่อ่อเป็นมนเป็นตายยอมตายไม่ยอมตัดเด็ดขาดอันนั้นมันก็ถึงถึงข่าวนั้นก็นเออไม่ว่ากันแต่ถ้าว่าผู้อมองเห็นว่าเออถ้าเรามีชีวิตอยู่นี่จะเกิดประโยชน์อย่างน้อยก็ได้สร้างคุณงามความดีอยู่มันก็ต้องจำเป็นต้องตัด อ, อันนี้ก็เหมือนกันลูกเต่าทุกคนในฐานะลูกสิ่งเหล่านี้เราพวกเราต้องคิดถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าเรามีครอบครัว เราก็จะต้องมีลูกปีเต้าเช่นเดียวกับพ่อแม่แต่าหากว่าเราทําให้พ่อแม่ช้ํา อ, อกช้ําใจหนักอกหนักใจเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็จะได้ลูกขึ้นมาลูกของเราก็จะทําให้เราหนักใจเหมือนกับเราทําให้พ่อแม่ในขณะนี้เพราะนั้นในหลักของกรรมคือการกระทำํำธนวกรรมมุนีนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้แล้วนี่แหละหลักของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเรา ชาวพุทธทุกๆท่านที่นับถือพระพุทธศาสนาันับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถือผู้น้อยผู้ใหญ่ถือคุณพ่อคุณบิดามารดาก็ให้สำเนียกสำนึกไว้ให้ดีนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำดีแล้วความดีนะั้นนหะจะสนองเราไปในสถานที่ใดก็มีแต่ความร่มเย็นผาสุขร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดนะนะั่นแหะถ้าเราทำไม่ถูกแล้วไปที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่ร้อนอกร้อนใจนะ่ะไปอยู่ในสถานที่ใด เพราะนั้นเรื่องคุณของบิดามารดาเนี่ยสมควรอย่างยิ่งอย่างวันวันสงกรานอย่างเนี้นะ่ะเราขึ้นมากราบพอ่อกราบแม่มาไหว้พอ่อไหว้แม่หรือไหว้บัณพบพระบุตรกระดูกของพอ่อของแม่ที่ท่านมีพระคุณสําหรับเราแต่ร่างกายของเราในะยังอยู่ที่ท่านให้มานึ่คือก้อนนี่ก้อนเนี่ยลูกนี่ลูกนี้นะ่ะก็คือลูกลูกนี่นะเราเป็นลูกนี้นะลูกนี้ของพอ่อของแม่ เราจะแทนทุนจะให้หาเงินทุนก่อนนี้จะส่งดอกผลให้เจ้าหนี้อย่างไรบางทีเจ้าหนี้ก็ตายไปก่อนแล้วทําบุญอุทิสศส่วนกุศลให้ท่าน เ, าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วถ้าว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เราจะช่วยเหลือท่านอย่างไรข้าวน้ําโภชนาอาหารปัจจัยเงินคําทรัพย์สมบัติเราพอที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ได้ก็ช่วยเหลือท่านให้ท่าน แต่ถ้าว่าท่านมั่งมีสีสุขอยู่แล้วเราก็เข้าไปกราบไปไหว้ท่านสิ่งไหนอาหารที่ท่านชอบเสื้อผ้าที่ท่านพอจะใช้ได้เราก็ไม่นิ่งดูได้ในฐานะลูก เ, เมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็หาวิธีที่จะตอบสนองพระคุณของท่านอย่างน้อยก็ถามไตสุขภาพร่างกายาแนะนาว่าเราจะพาไปหาหม อ, อยังไงที่ไหนให้เขาเป็นผู้เอาใจใส่พ่อแม่ เอาใจใส่ปู่ย่าตายายของเราอันนี้แหละว่าลูกที่ดีหลานที่ดีเพระผู้เผเจ้าที่ท่านสอนให้พวกเราระลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้สำเร็จสำนึกไว้นะทําสิ่งใดก็ตามอย่าทําให้ท่านหนักใจพอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรายืนด้วยลําแข้งของเราได้แล้วอย่าทําให้ท่านหนักใจสิ่งไหนที่ท่านหนักใจอย่าทําทําในสิ่งที่ท่านเบาใจ เมื่อเบาใจท่านเราก็เบาใจไปด้วยสิ่งไหนที่ท่านหนักใจเราก็ต้องหนักใจไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเข้ากันไม่ได้เลยสิ่งไหนที่เราก็ทําลงไปพ่อแม่ไม่พอใจอย่างนี้ถึงจะกลับไปพ่อแม่ก็ไม่พอใจเราจะเป็นสุขไม่อย่างนั้นมันหาความสุขไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่พอที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มันมีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นเรา ในฐานะลูกเราเป็นเด็กนะควรจะทําตามพ่อแม่บ้างนะแต่พ่อแม่ก็เช่นเดียวกันรักลูกทุกคนแต่บางสิ่งบางอย่างก็มีการยืดหยุนบ้างในฐานะผู้ใหญ่จะไปแข็งเปี๊ยทีเดียวก็ไม่ได้แต่คําพูดนะแข็งเปี้ยได้แต่ว่าการกระทำนั้นก็ควรจะยืดหยุนมีเมตตาไว้ในใจแต่โดยมากพ่อแม่ก็คงจะลักษณะอย่างนั้นแหละนะอันนี้คื อ, คอทำ มีธรรมอยู่ในใจมันมี ม, มีพอดีทั้งหมดนั่นแหละทำคือหลักเหตุผลถ้ามีเหตุผลอยู่ในจิตในใจทำอะไรลงไปก็น่าดูพูดอะไรออกไปก็น่าฟังเพราะมีธรรมอยู่ในใจแต่ถ้าว่ามีติดมีแต่กิเลสราคะโทสะโมหะมีแต่ทิฐิมานะเข้าหากันแล้วเห็นการกันมีแต่จะบฟัดจัเวียงกันมีแต่แต่โมโหโทโสใส่กัน มันก็หาความร่มเย็นผาสุขไม่ได้เพราะนั้นให้พวกเราพยายามเอาเหตุผลเข้ามาแต่ก่อนที่จะมีเหตุผลอย่างนั้นได้ก่อนที่จะมีคนที่จะมีเหตุผลอย่างนั้นได้ต้องเป็นยังไงต้องชำระใจซะก่อนเลอในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะรู้เป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลมหาเหตุมหาผลอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ชาระใจของท่านไปชาระอยู่หกปี ออกบวดไปอยู่ในป่าหกปีบำเพ็ญอยู่ในป่าหกปีจนได้ตัดสรู้ทำรรตัดสรู้ก็คือทรรมในใจของพระ อ, องค์คือศีลสมาธิปัญญาวิมุติญาณนะทัศนะ์นั่นแหละทำมันสูงสุดว่า ง, งั้นเถอะละกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจจนใจพระ อ, องค์มีแต่ธรรมพูดออกมาก็เป็นธรรมคิดออกมาเป็นธรรมพูดออกมาเป็นธรรม ทำลงไปก็เป็นธรรมแต่ว่าใจของพระองค์เป็นธรรมแล้วเพราะนั้นที่ใจจะเป็นธรรมได้เนี่ยเพราะอะไรก็ต้องชำระจะต้องฝึกหัดต้องจะต้องอบรมอบรมจิตนั่นคือยังไงคือสมาธิเนี่ยนะเข้าสมาธิทำใจให้เป็นหนึ่งซะก่อนถ้าจิตใจของเราเป็นหนึ่งจิตใจของเราเป็นสมาธิดีแล้วเราจะมองดูใจของเราใจของเราคิดเรื่องอะไรเพราะสติอยู่กับใจเมีสติอยู่ในใจของเรา ใจคิดเรื่องอะไรไปในทางดีทางชั่วถ้าคุณมีสติแล้วจะบังคับไม่ให้ใจคิดไปในทางที่ไม่ดีถ้าว่าสติของเราขาดสติแล้วมันคิดเออเลยเฮยลอยลมไปเรื่อยเรื่อยเ ป, ยปเื่อยไปเรื่อยผลที่สุดก็สิ่งที่ควรไม่ควรทาก็ทำได้สิ่งที่ไม่ควรพูดก็พูดได้เหมือนกับคนกินเหล้านะั่นน่ะคนกินเหล้าไปว่าขาดสติอย่างมากแล้วน้าน้าขาดสติน้าเมา ถ้ากินเข้าไปแล้วก็มืนเมาแล้วก็ขาดสติอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราถ้าหากว่าภาวนามีสติเต็มที่แล้วนั่นแหละมีแต่ความร่มเจ็นผ้าสุขมีแต่ให้คุณอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราฝึกหัดน ะ, ะไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาหรือไม่นั่งภาวนาก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้ให้มีสติอยู่กับตัวเองนึกพุโทโธพุโทโธก็ได้หรือไม่นึกก็ได้ให้มีสติอยู่กับตัวเองเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราทําอะไรอยู่ ให้มีสติอยู่กับตัวเองแต่โดยมาก ค, าาาครูบาอาจารย์ท่านไกลบริกรรมพุทโธดยนะั่นะเพื่อจะให้เป็นจิตจะลักษณะสักหน่อยนะให้นึกอยู่ในใจพุทโธพุทโธพุทโธนะพุทโธแปลว่าผู้รู้นะพุทโธอยู่ในใจถ้ามีพุทโธอยู่ในใจแล้วมีแต่ความสงบและมีสติอยู่กับตัวเองนะนะวันนี้ในพูดจะยืดยาวสาหรับญาติโยมทางไกลที่มาพบวันนี้ก็จวนจะ หมดเขตวันสงกรานแล้วเนี่ยเป็นวันที่สิบห้าเข้ามาแล้วเอาต่อนี้ไปรับพรรับพร อ, อุทิศส่วนกุศลน้าได้มาทําบุญทําทานในวันนี้อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีพระคุณสําหรับพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เป็นเจ้าหนี้ของพวกเรานะพวกเราได้ทําบุญในวันนี้ก็ได้เอาดอกนี้มาส่งคืนให้แก่ ผู้มีพระคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนายะถาวาริวาหาปูราปาริปู